Book 2ูสามสิบเก้าสามสิรถเสียความเ a ียหายของรถปั๊มถัดไปอยู่ที่ไหนคะที่ไ n a ค่ะที่ไหนค่ะ b e r i k u t n y a ยางรถของดิฉันแบนค่ะบานมอเตอร์ไซค์บออร์เปลี่ยนยางรถให้ได้ไหมคะ a p a อ a h anda d า p a t m e n g g a n น i างรดิฉันอามี่ยนากได้อ่านงได้หมัาสามลนดี่สาเซลี่ยงร่าคุสามล่รถด่หรือวาลี่รด ดิฉันไม่มีน้ำมันเบนซินแล้วค่ะฉันไม่มี k p น uh n y a ้วค่ันมีเบนซินแล้วค่ะฉันมีเบนล้วค่ะันไมมีนล้คะนมน้วค่ันไหมิค่ะฉัน k a h anda punya ะฉทีเิ่ฉันไมเบนซิฉันได้ทะี่ัไหบนคะ Di m ไ oh n a saya dapat m ้ n e l p o n นีิ่ฉันไน้อค่ะรรถลากค่ะ ฉันต้องการบร a การคน i ับรถฉันกำลังาอมหถคนข a บ e ถฉัน k e องกอุบติก a รค t ขับรถฉันกำลังมองหาคนขับรถ Di mana lagi ada telepon umum terdekat? คุณมีโทรศัพท์มือถือไหมคะ Apakah Anda punya ponsel? เราต้องการความช่วยเหลือค่ะ Kami ka. butuh bantuan. ตามหมอให้ทีค่ะ Tolong telepon dokter. เรียกตำรวจให้ทีค่ะตลองทลอโทรฯตลิวีขอดูเอกสารของคุณหน่อยค่ะตลองสุรัตสุรัตขอดูใบบขัขขีองคุณหน่อยค่ะตลองซิมอันดาขอดูทะเบียนรถของคุณหน่อยค่ะ tolong bpkb anda